อาจารย์มหาบัวสบายแนละ้วทิ้งขันไปแล้วใกล้ๆตีสี่หมดภาระนะหมดภาระนะคือครูบาจารย์ระดับนี้ภาวนาคุนเห็นแจ้งธาตุขันนี้เป็นทุกข์ล้วนๆท่านวางภาระของท่านมาสักห้าสิบปีแล้วมั้งที่เหลือก็อยู่ทำประโยชน์มาเรื่อยๆในนี้สังขารอยู่ไม่ไหวแนละ้ว ก็ทิ้งขันมีความสุขเหลือแต่พวกเรานะยังทุกอยู่ยังยึดขันอยู่วันไหนวางขันได้ก็มีความสุขมันไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งคนหนึ่งจะทำไดนะ้แต่ต้องเป็นมนุษย์ที่ดีงามมนุษย์เร็วๆทำไม่ได้มนุษย์เร็วๆ เ, เ, เ, เป็นลูกน้องมารลูกน้องกิเลส ถ้ามนุษย์ธรรมดาธ ร, รมดากลางๆไม่ถึงดีเลิศหรอกขนาดพวกเรานี้ดีบ้างเรียวบ้างเรียวมากกว่าดีอีกรู้สึกไหมวันๆนั้กิเลสเกิดเยอะแยะเลยวันๆแต่เราดีตรงเรารักดีเรามาเรียนรู้ตัวเองกิเลสเกิดเรารู้ทันมันครอบงําเราไม่ได้ถ้ารู้ไม่ทันมันก็ครอบงอาําเราแต่เรารู้ทันกิเลสเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันรู้ทันเลยครอบงําไม่ได้ ยิ่งเห็นกิเลสบ่อยก็ยิ่งดีเพราะว่ามันครอบงําไม่ได้อย่างบางคนมาส่งกันบ้านบอกว่าเห็นกิเลสเกิดทั้งวันหลวงพ่อบอกดีดีตรงไหนมีกิเลสเยอะดีตรงที่เมื่อไหร่รู้ทันเมื่อนั้นมันครอบงําไม่ได้ดีตรงนี้เพราะมันครอบงําไม่ได้นะคล้ายๆกิเลสนะลงทุนแล้วผลิตอนุสัยนลงทุนผลิตกิเลสขึ้นมาเสร็จแล้วมาทำมาหากินไม่ได้ ย่ำยีหัวใจเราไม่ได้นะไม่มีผลผลิตนะลงทุนแล้วขาดทุนไปเรื่อยๆอนุสัยมันค่อยเหี่ยวค่อยแห้งไปนะเหมือนเราปลูกต้นมันต้น อ, อย่างนี้นะมีหัวอยู่พอ ง, งอกใบมาตัดทิ้งอกอกใบมาตัดทิ้งหากินไม่ได้หัวมันค่อยแฟบไปเรื่อยอนุสัยมันก็อ ย, อย่างนั้นน่ะเรามีสติรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันบ่อยๆ อนุใสเหมือนหัวหัวเผือกหัวมันอยู่ใต้ดินเลยเนะีึยค่อยฝ่อไปค่อยแห้งไปมันก็ทํามาหากินยากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ตายไปไม่มีเชื้อฉะั้นอยู่ที่พวกเราเองนะค่อยรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นที่จิตคยรู้ทันกิเลสเกิดที่จิตเคยรู้ทันยิ่งรู้บ่อยยิ่งดีเหมือนมันงอกขึ้นมานิดนึงนะงอกใบมาหน่อยตัดทิ้งงอกใบมาหน่อยตัดทิ้ง สุดท้ายมันก็หมดเ้าอดทนเอามันเป็นต้นไม้ที่ตายยากมากเลยกิเลส ร, รากมันฝังลึกรากแก้วของมันชื่ออวิชชามีรากเล็กรากน้อยอยีกเยอะแยะไปหมดเลยกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดเยอะแยะแต่มันจะมากแค่ไหนนะมันก็ไม่พ้นสติปัญญาไปได้พระพุทธเจ้าคนกว้า วิธีการปฏิบัติทำจนบอกวิธีให้เราขุดลากถอนกคลนกิเลสได้ไม่มีสติไว้นะมีสติไว้พอมีสติแล้วคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองกิเลสเกิดคอยรู้ทันกิเลสเกิดคอยรู้ทันการที่เรามีสติคอยรู้ทันจิตใจตัวเองกิเลสเกิดแล้วรู้ทันกิเลสเกิดแล้วรู้ทันสิ่งที่เราจะได้มาคือศีล ศีลตัวจริงจะได้มาเนี่ยก่อนจะมีศีลตัวจริงที่เกิดจากสติไปรู้ทันกิเลสที่เกิดกับจิตนะแล้วก็มีศีลพออาศัยไปก่อนศีลที่พออาศัยก็ศีลห้าอาศัยเป็นเครื่องอาศัยไปก่อนศีลห้าก็ยังไม่ใช่ศีลแท้ศีลเบื้องต้นอาศัยไปก่อนตั้งใจไม่ทำบาปอากุศล ทางกายทางวาจาศี่ห้ามันควบคุมกายควบคุมวาจานะั้นมันควบคุมมาไม่ถึงใจหรอกสตินั่นแหละเข้าไปถึงใจกิเลสมนครอบงําใจได้แล้วทําผิดศีลล้นออกมาทางกายทางวาจาไม่ทําผิดศีลห้าแล้วเราตั้งใจรักษาศีลห้าก่อนถึงกิเลสท่วมใจเราก็ไม่ทําผิดศีลห้าต้องตั้งใจอย่างนี้ไว้โกรธแค่ไหนก็ไม่ด่าไม่ตีนะโลบแค่ไหนก็ไม่ขโมยเขาไม่ช่อฉนหลอบลวงเขา ไม่เป็นชั่วเขาอะไรเงี้ยก็ตั้งใจไว้ก่อนเมื่อไม่ล้างผลาญเบียดเบียนตัวเองด้วยสิ่งมอมเมาต่างๆทําให้ขาดสติมีศีห้าตั้งใจงดเว้นการทําชั่วทางกายทางวาจาแต่ทางใจศีห้าไปทําอะไรมันไม่ได้หรอกสีห้ามสู้แค่ปิดกั้นการทําผิดทางกายทางวาจาอาศัยสตินี่แหละเรียนรู้ใจตัวเองไป คนทําผิดศีลห้าได้ก็เพราะกิเลสมันครอบงําใจได้รู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นที่ใจรู้บ่อยๆเลยหัดรู้ไปทีแรกจะรู้ได้เฉพาะกิเลสหยาบๆเช่นโกรธแรงๆถึงจะรู้โลภแรงๆถึงจะรู้ฟุ้งซ่านแรงๆถึงจะรู้หดหูแรงๆถึงจะรู้กิเลสต้องแรงถึงจะรู้เบื้องต้นหัดแค่นี้ก็บุญนักหนาละได้เห็นหน้าเห็นตากิเลสบ้างนะ หัดใหม่ๆจะเห็นแต่กิเลสตัวใหญ่ยังไม่เห็นกิเลสตัวเล็กคล้ายๆหูตาไม่ค่อยจะดีนะมีเชื้อโรคเชื้อราอะไรนิดๆหน่อยๆมันตกในขนมยังมองไม่เห็นเนะต้องให้เชื้อราลามไปก่อ น, นเป็นวงใหญ่ๆค่อยมองออกโอ้นี่ขนมอันนี้มีเชื้อราละเนี่ยจะดูออกหรือไฟไหม้ในบ้านจุดเล็กจุดน้อยยังมองไม่เห็ น, นไฟกาลังชัดแป๊บแป๊บแป๊บไม่รู้ทันอน่ะ โน่นควันขาาโมงแล้วไหม้ขึ้นมาแล้วถึงจะเห็นหัดใหม่ๆก็อย่างนี้แหละสติมันไม่ไวต้องกิเลสแรงๆก่อนถึงจะเห็นก็โกรธไปก่อนแรงๆหรือจะเห็นโลภไปก่อนแรงๆถึงจะเห็ น, น, หนฟุ้งแรงๆก่อนถึงจะเห็นอย่างนี้ก็ยังดีเบื้องต้นหาดเห็นกิเลสหยาบไปก่อนต่อไปสติปัญญามัน ain, ไวขึ้นไวขึ้นมันจะเห็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเป็นลําดับลําดับไป sinners. กิเลสนะั้นมีหลายชั้นนะ ชั้นเชิงก็เยอะนะลูกเล่นก็เยอะไม่มีวันที่ใครจะไปหลอกกิเลสได้เลยมีแต่ถูกกิเลสหลอกมันสารพัดจริงๆเลย<ม>นี่กิเลสหยาบๆนะราคะโทสะโมหะแรงๆ<ม>นี่กิเลสกลางๆเรือ่อนิวร์หยาบปานกลางนิวร์จริงๆไม่มีอะไรมั่งเป็นความฟุ้งของจิตฟุ้งไปในกามในความเพลิดเพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส ฟุ้งออกไปแล้วก็ไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเรียกว่าพยาบาทฟุ้งไปพอใจเรียกกามมชันทะตรงที่มันฟุ้งนั่นแหละเรียกว่าอุทัดจะฟุ้งมากๆก็งหงุดหงิดลำคาญใจและกุกกุฎจะฟุ้งมากคิดมากสงสัยมากเรียกว่าวิจิกิจฉาฟุ้งมากหมดเรียกหมดแรงนอนพังภาพคแมวคแมอยู่ข้างในนะเรียกว่าตินามิทะ มาจัดใจฟุ้งทั้งนั้นเลยนี่กิเลสมีหลายชั้นนะค่อยๆเรียนไปตอนหลวงพ่อหัดทีแรกก็เหมือนกันเห็นได้แต่กิเลสหยาบๆต่อมาแล้วจิตใจเราสติปัญญามันแก่ขึ้นนะค่อยเห็นกิเลสตัวเล็กตัวน้อยค่อยเห็นแต่เดิมต้องโกรธแรงๆถึงจะเห็นต่อมาขัดใจเล็กๆก็เห็นยกตัวอย่างนะเราอยู่ในห้องสบายๆนะอากาศแสงสว่างกำลังพอดีพอดี เกิดม pues mm ีธ hmm. ุระออกจากห้องเปิดประตูห้องไปปุ๊บแสงแดดกระทบเปลือกตาโทรสะขึ้นละความหงุดหงิดใจเกิดขึ้นละลำคาญใครเคยถูกแดดแยงตาแล้วลำคาญมั้งมีไหมแยงตอนไหนลำคาญที่สุดตอนยังไม่อยากตื่นนี่แหละใช่ไหมเช้าอีกแล้วต้องต่อสู้นะในการเาหมคลุมหัวไว้ แค่นี้แค่นี้ก็กรดละ <Okay. S 1> แค่แดดแยงตาก็กรดละ <Okay. S 1> อากาศหนาวมากๆนะลมพัดมาชอบไหม mm. ไม่ชอบหรอกถ้าหนาวนะถ้าอากาศร้อนๆลมพัดมาราคาก็เกิดแล้วชอบลนะ <Okay. S 1> นะกิเลสเล็กกิเลส น, น้อยนะแค่ผัสสะเบาๆ เ, เรานึกว่าไม่มีกิเลส น, นะผัสสะเบาๆยันเดินไปแล้วแดดสองตาเนี้ยดูไม่เป็นไม่รู้เลยว่ามีกิเลสนนะถ้าดูเป็นจะเห็นเลยโทสะมันขึ้นแล้วไม่ชอบ ไม่แช่มชื่นใจนะหรือลมพัดมาถูกตัวเราเนี่ยอากาศกําลังร้อนลมโชยมาหน่อยๆนะมันชื่นอกชื่นใจมัพอใจเนี่ยราคะเกิดแล้วงั้นหัดทีแรกก็เห็นแต่ของหยาบหยาบโกรธกัำลังจะไปฆ่าเขาแล้วถึงจะรู้นะโลภกําลังจะคว้าของเขามาแนละ้วถึงจะรู้บางทีคว้ามาแล้วเมื่อรู้ทีหลังก็มีนะบางคนนึกว่าต้องโลภเอาของคนอื่น ถึงจะเรียกโลภก็ภาวนาละเอียดขึ้นนะไปเดินศูนย์การค้านี่เห็นกระเป๋าสวยอยากได้รู้ว่าอยากได้เหลออีกทีหนึ่งกระเป๋ามาถึงบ้านแนละ้ว น, นี่ก็โลภนะไม่ต้องขโมยของใครแล้วก็ไปซื้อมาถูกต้องนะี่ะแต่ก็ซื้อด้วยโลภใครอยากได้ BB บ้างมีไหมบ BB ีเห็นเขากําลังเหอ iPhone ในพวกนี้นะนะอยากได้มีเงินด้วยนะไปซื้อมาด้วยตัวของตัวเองด้วยไม่ได้ขโมยใครอ่ะ แต่โลภไหมโลภอยากได้อยากได้ในของที่ไม่จําเป็นอนี่เรียกโลภทั้งหมดเลยอยากได้ในของที่จําเป็นไม่เรียกว่าโลภนะอย่างหิวข้าวต้องการกินข้าวนี่เป็นเรื่องทางร่างกายไม่ใช่กิเลสพ ร, ระอรหันต์ก็หิวข้าวเหมือนกันไม่ใช่ไม่หิวพระอรหันต์ก็ง่วงนอนเหมือนกันไม่ใช่ไม่ง่วงอย่างนั้นไม่เป็นกิเลสเป็นความจําเป็นทางร่างกายแต่ถ้าเป็นความละโมบทางใจนะ หรือความไม่พอใจทางใจมันเป็นกิเลสเนี่ยแต่เดิมเราจะเห็นแต่กิเลสหยาบหยาก่อนยังไม่เห็นกิเลสตัวเล็ก ต, ตัวน้อยค่อยฝึกค่อยฝึกไปเรื่อยนะหันดูทุกวันทีแรกรู้แต่ตัวใหญ่ต่อมาคล้ายๆแว่นขยายเราดีขึ้นสติปัญญาเราดีขึ้นกิเลสตัวเล็กๆก็เริ่มเห็นแล้วเห็นความขัดใจเล็กๆไม่ต้องโกรธแค่ขัดใจนะไม่ถึงขนาดโกรธขัดใจเรียกปฏิฆะโกรธขึ้นมา เป็นโทสะแรงกว่ากันเป็นพวกเดียวกันนะเหมือนกับ ก, กิเลสอย่างละเอียดขึ้นมา ก, นกิเลสอย่างหยับหยับปฏิฆะขัดใจเล็กๆน้อยๆพระนาคาถึงจะลไดนะ้พวกเราอย่างละไม่ได้ขัดใจเช่นแดดส่องลูกตาแล้วก็ลำคาญขึ้นมานะหมุดหิดหมุดหิดใจนะไม่ใช่ว่าแสบตานะแสบตาไม่เป็นกิเลสนะนะอย่างครูบาอาจารย์บางองค์ เราไปถ่ายรูปท่านนะถ่ายแล้วใช้แฟลชแวบแวบแวไปเรนะื่อยนานๆท่านวักเอาท่านไม่ได้เป็นโทรสาะหรอกแต่ท่านแสบตาลืมตาไม่ขึ้นแล้วโอ้ยมันทําไมลบไม่เลิกเว้ยถ่ายไม่เลิกเคยเห็นคนโดนนะจันมหาบัวนั่นจวกเอาทั้งนี้ถ่ายรูปท่านไม่เลิกหลวงพ่อเคยถ่ายรูปท่านด้วยนะกล้าหาญสุดๆเลยนะท่านเพิ่งด่ามาหยกๆแล้วก็ยังแอบไปถ่ายมาเลย นั่นถ่ายไม่มีการะเทศะท่านกาลังเทศนดันไปถ่ายท่านเรามีชั้นเชิงท่านเทศเสร็จแล้วไปนั่งคุยอยู่นะั่งคุยแล้วก็เดินไปเดินเรียบร้อยเลยถือกล้องไปให้ท่านเห็นเลยคือถ้าเดินไปอย่างโฉงฉางอย่างนี้ให้ท่านเห็นนะแต่ว่านุ่มนวล น, นอบน้อมนะอืมจิตใจอ่อนโยนไปถ้าท่านเห็นว่ายังไม่สมควรทั้งอย่านเลิกแล้ววันไปไม่โดนด่าหรอกแต่ถ้า เงเหมือนผู้ร้ายนะเหมือนแมวขโมยโดนแง่ๆเลยตอนนั้นงานศพหลวงปู่ดุลลงปูดด่ ด, ดุลเพิ่งจะสิ้น mm hmm. น, นิมนต์อาจารย์มหาบัวไปเทศคนไปถ่ายรูปท่านตอนท่านเทศท่นถูกท่านด่าเสร็จแล้วท่านลงมาพักท่านนั่งคุยพวกครูบาอาจารย์เข้าไปนั่งคุยกับท่านนะอยู่หน้ากุฏิหลวงปู่ดุลเลยแล้วก็เดินเข้าไปอย่างเรียบร้อยเลยถือกล้องไป ใครเขาดูเรียกความตื่นตะลึงเลยนะเพราะท่านด่า ม, มาโยกๆเลยนะ <c oughs> ถึงยกมือไหว้นะโคกเขายกมือไหว้ขอขอในใจนะอ๋อขอในใจนก็ ถ, ถ่ายท่านก็ไม่ว่าอะไรแกล๊กหนึ่งท่านก็เฉยสองแกล๊กพอละอย่าสาบนะ <c oughs> <c oughs> ให้มันรู้จักแลบ้าง <c oughs> โล่งมากก็โดนอีก <c oughs> เอาออกมาได้นะ <c oughs> ถ่ายจากครูบาอาจารย์ไม่รู้ไปไหว้ไหนแล้วเนี่ย ตอนนั้นก็อยากถ่ายนะถ่ายเสร็จแล้วก็ไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนอีกแลเนี่ยความโลภเนี่ยแค่นี้ก็โลภแล้วนะเห็นเห็นครูบาอาจารย์อยู่ด้วยกันหลายองค์ก็อยากได้รูปท่านโลภไม่ใช่โลภหยาบหยาบแต่เอาของคนอื่นอนะไรงั้นกิเลสนะมันมีเยอะแยะไปหมดเลยหัดใหม่ๆหม่เราก็ได้แต่กิเลสหยาบหยาเห็นแต่กิเลสหยาบหยาบต่ไปกิเลสเล็กกิเลสน้อยก็เห็นนะเวลารถติดหัวหงิดไหม แล้วติดหงุดหงิดใช่หไหมเวลาทํางานไม่ทันทํางานไม่ทันแช่มชื่นใจไหมไม่แช่มชื่นนั่นโทสะนะสงานจะต้องส่งทําเปเปอร์ส่งบริษัทเราต้องทำวันนี้ให้เสร็จคืนนี้ปั่นมาจนตีสองแล้วยังไม่ค่อยจะเสร็จเลยเลยนะไม่แช่มชื่นใจใจเครียดเครียดขึ้นมานี่โทสะใจเครียดนิดเดียวโทสะแล้วนะใจเครียดขึ้นมานิดเดียวโทสะแล้ว ใจพอใจยินดีพอใจขึ้นนิดเดียวโลภะละใจลืมกายลืมใจเมื่อไหรโมหะละเราลืมกายลืมใจบ่อยไหมบ่อยแต่เรานึกออกไหมว่าลืมไม่ค่อยออกนานๆ น, น, นึกได้จริงว่าลืมต้องลืมไปตั้งนานแล้วถึงยังนึกได้ะวันก่อนนี่ใครมาเล่านะลืมบอกหมู่นี้รู้ตัวบ่อยครับ ถามว่าบ่อยแค่ไหนสองสามนาทีรู้ทีอุ้ยนานมันต้องสามวินาทีรู้ทีหลงแวบสองสามวินาทีต้องรู้แล้วเวลาจะตายนะใช้เวลาไม่มากนะคนเวลาจะตายจริงๆใช้เวลาไม่กี่วินาทีหรอกงั้นสติต้องเร็วจริงๆต้องค่อยฝึกฝึกฝึกไปได้วยของหลวงพ่อตัดเป็นโยมนะก็หัดหัดแบบนี้ว่าจิตเนี่ยมันชอบไปเกาะอารมณ์พวกเรานึกออกห ชิมชอไปเกาะไปอารมณ์นะหลวงพ่อจะดูมันดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่มันจะหลุดออกมาเนี่ยฝึกไวจนกระทั่งได้3วินาทีนะค่อยสบายใจถ้าห้าวินาทียังไม่สบายใจเกิดรถชนเราดิ้นกระแดกกระแดกอยู่กลางถนนนะไม่ถึง5วินาทีตายก่อนแยกไม่ทันนะึงแล้วค่อยฝึกตัวเองได้นะ่อยจนกระทั่ง3วินาทีส็ลุดออกมาต่อมาฝึกตัวเองไปเรื่อยนะนอน ตอนตื่นนอนเนี่ยพอตื่นปั๊บนจิตสว่างจ้าเลยไม่มีงัวงเงียเลยนะรู้ตัวทันทีมันเปิดสวิตไฟเนี่ยะห้องมืดมืดนี่สว่างปุ๊บเลยเนี่ยค่อยอย่างนี้ค่อยฝึกค่อยสบายใจหน่อยจิตหลุดออกจากกิเลสได้ในฉับพลันที่รู้สึกตัวขึ้นมาไม่ต้องมีดีเลยถามพวกเราดีเลยถามเท่าไหร่เวลาเกาะนึกออกไหมเท่าไหร่ใครห้านาทีมีไหมมีไหมหรือใครหนึ่งนาทีไม่ยอมสา ร, รภาพมั้ย บอกไม่มีครับมีแต่สองชั่วโมง <c oughs> <c oughs> ค่าฝึกนะฝึกหนะลวงพ่อฝึกตัวเองแบบเข้มงวดเลยตั้งแต่เป็นโยมก่อนนอ น, นกินน้ําเยอะๆกินน้ําเยอะๆแล้วมันจะไม่นอนนานหรอกสังขารร่างกายไม่อํานวยให้นอนถ้าเป็นบอกพวกเรายุคนี้นะต้องสอนต่อยิ่ว่าอย่าใส่แผมเพรสเดี๋ยวยกินน้ําเยอะอย่างที่หลวงพ่อบอกเลยตื่นมาเช้าเลยนะอย่างงั้นใช้ไม่ได้ ตอนั้นฉันน้ําเเป็นคารวานนะัดื่มน้ําเยอะๆตอนก่อนนอนอันนี้ความสามารถเฉพาะตัวนะห้ามเดินแบบนะพอตื่นขึ้นมาแล้วใจยังมัวอยู่เนี่ยไปห้องน้ําไปอะไรแล้วถ้าใจยังมัวอยู่ไม่นอนต่อนะจะนั่งสมาธิไม่เดินด้วยถ้าเดินแล้วมันหายง่ายนั่งสู้กับมันนะนั่งมันซึมเหรอพยายามรู้สึกมันซึมเหรอพยายามรู้สึกไปเลื่อยหายใจไปพูดโธไปพยายามรู้สึกไม่ให้มันเคลิ้มไม่ให้มันขาดสติฝึกตัวเองเข้มงวดมากเลย ต่อค่ำค่ไม่มีอะไรนะกลางค่ากล า, างคืนนะนั่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในมุ้งนะั่นแหละนรืออยู่ในห้อง น, ะนั่งภาวนาพอมันสว่างแล้วนะใจมันสว่างแล้วนอนต่อเนี่ยฝึกตัวเองทุกวันเลยนะแบบเนี้ย แ, แล้วก็ก่อนนอนก็กินน้ําเยอะๆอีกพอไปเข้าห้องน้ําเสร็จกินน้ำอีกละอย่างเงี้ยคืนหนึ่งนะทําได้สองสามทีฝึกตัวเองแต่ใครทํางานกับเครื่องจักรเครื่องกลเลยห้ามเรียนแบบนะ นนี้ความสามารถเฉพาะตัวนี่พอฝึกไปนานนะต่อไปพอตื่นนอนนี่ปุ๊บจิตสว่างจ้าเลยไม่มีง่วงเงียรู้สึกทันทีเลยรู้สึกทันทีนพอมันกิเลสมันกลัวเราจะนั่งนานต่อมาพอเรารู้สึกตัวตื่นนะมันไม่มายุ่งกับเราเลยแล้วมาครอบทีหลังดีกว่าตอนนี้ปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวมันนั่งสมาธิต่อน่ชั้นเชิงมันเยอะนะเราก็นึกว่ากูเก่งแล้วเว้ย ความจริงโง่กว่ามันอีกแล้วถ้าตื่นนานปุ๊บสว่างจ้าเลยนอนได้แล้วตามกติกาตอนหลังเลยขยันนอนนะขยันนอนมานึกๆดูเฮ้ยมันหลอกนี่หว่ามันหลอกให้ไม่ภาวนาต่อแต่มานนะกลาค่งกลางคืนลุกขึ้นเดินโจงกลมลุกอะไรทามีเวลานะทำไปพอเหนื่อยพอเพลียก็ไปนอนต่อไม่ได้เสพสุขกับการนอนนอนเป็นยิบยิบนอนเป็นยิบยิบ ฝึกตัวเองกลางวันก็ฝึกกลางวันต้องทํางานจดจ่อกลางานไปกิเลแสแทรกปั๊บรู้ทันกิเลแสแทรกปั๊บรู้ทันฝึกตัวเองจิตเมทันทีที่รู้ทันจริงก็สลัดตัวกไปจากกิเลสฉิตขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฝึกเบิกบานทั้งวันเลยยืนอยู่ก็เบิกบานเดินอยู่ก็เบิกบานนั่งอยู่ก็เบิกบานตอนนั้นทํางานอยู่ในทำเนียบรัฐบาล เบิกบานมากเลยเดินยิ้มกับสายลมแสงแดดทุกวันเลยเนะข้าใจเรามีความสุขนึกค่อยฝึกนะเป็นฆราวาสก็ทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้หรอกคอยมีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นที่จิตบ่อยๆทีแรกก็จะรู้ได้แต่กิเลสหยาบทํามากิเลสเล็กกิเลสน้อยก็จะค่อยๆเห็นค่อยๆเข้าใจขึ้นเป็นลําดับลําดับนะจนกระทั่งกิเลสภาวนาไปถึงจุดหนึ่งอกิเลสละเอียดจนดูไม่ออกว่าเป็นกิเลส กิเลส ท, ที่ละเอียดเนี่ยดูไม่ออกว่าเป็นกิเลสนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนสืบต่อกันมาแพอกิเลสละเอียดดูไม่ออกหรอกว่ากิเลสดูเหมือนเป็นกุศลนี่ท่านสอนมาอย่างนี้อย่างตัวมานะมานะเป็นตัวเทียบเขาเทียบเราพระโสดาบันนั้นละความเห็นผิดว่ามีเรานะแต่เสร็จแล้วมันยังมีการเทียบอยู่นี่เป็นเรื่องประหลาดนะ เทียบโอ้ครูบาอาจารย์รู้นะว่าครูบาอาจารย์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาครูบาอาจารย์ภาวนาดีมีความสุขอย่างไรเราภาวนาไม่ได้เรื่องอย่างท่านเลยโสกปลวกมอมแมมเนี่ยก็รู้อยู่นะว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์ก็ไม่มีแต่แต่โดยความรู้สึกมันยังเทียบอยู่อยากได้อย่างเขาอยังอยากได้อย่างท่านรู้สึกเรายังไม่ดีพอยังไม่ได้อย่างท่านนี่เทียบเขาเทียบเราเป็นมานะนะถ้าดูไม่ดีนะรู้สึกว่าเป็นศรัทธา โอครูบาอาจารย์ดีจังเลยนะตรงที่เห็นครูบาอาจารย์ดีจังเลยปรับเพื่มใจตัวเนี้ศรัทธาเมื่อไหรเราจะดีอย่างนี้บ้างเราไม่ดีอย่างนี้เลยนี่แหละมานะนะแทรกอย่างรวดเร็วเลยนะศรัทธาแว บ, บเดียวเผลอแปบ๊บเดียวกลายเป็นมานะแ ล, แล้วเราไม่ได้อย่างท่านสักทีนะกิเลสนะพอละเอียดนะดูยากยา ก, ยากนึกว่าเป็นกุศลนะ่นะหรือบางทีจิตพิจรารณาพิจารณาค้นคว้าอยู่ในกายพิจารณาค้นคว้าอยู่ในจิตนะ เราคิว่าเดินปัญญาอยู่ความจริงจิตฟุง้งซ่านอยู่ขาดอะไรขาดจิตที่ตั้งมั่นขาดความตั้งมั่นของจิตเท่านั้นกลายเป็นความฟุง้งซ่านจริงจิตถลํำลงไปค้นคว้าพิจรารณาเช่นไปดู ก, กายเนี่ยจิตถลําลงในกายไปพิจารณาอยู่ที่กายจิตฟุง้งซ่านนะจิตฟุง้งซ่านเป็นอุทธัจจะสังโยชนะน์นะฟุ้งซ่านฟุ้งไปในธรรมะฟุ้งไม่ใช่ไปฟุ้งในกาม ถ้าอุทธัจจายางที่พวกเราเป็นเนี่ยจะฟุ้งไปในกามฟุ้งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสใะพวกนี้แต่อย่างพระอนาคามีนะจิตท่านฟุ้งซ่านไปในธรรมะสแสวงหาธรมาธรมะค้นคว้าธรรมะพิจารณาธรรมะเนี่ยดูแล้วเหมือนว่าดีใช่หไหมเหมือนเจริญปัญญาที่แทนฟุ้งซ่านดูยากมากเลยนะคือถ้าจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นหลวงพ่อถึงเขี่ยวเข็นพวกเรามากควบคุมพวกเราเข้มงวดมากเรื่องจิตถึงฐานนี เพราะตัวนี้แหละตัวแตกหักเลยสติตัวจริงไม่มีมีแต่สติเพ่งสติจ้องนะสมาธิแท้ๆ ท, ที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่มีมีแต่ผู้เพ่งอะ่ะมีแต่ผู้ถล่มลงไปไปแนบนิ่งๆอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วบอกเป็นสมาธิแอนนะัสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิแบบสมถะนะสมาธิแบบวิปัสนาเนี่ยจิตมันต้องดิดตัวขึ้นมาตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่นะคนละแบบกันนะสมาธิมีสองแบบ สมาธิที่จิตแนบไฟในตัวอารมณ์นะเป็นสมาธิที่ใช้ทําสมถะเรียกว่าอารัมมณูปนิชานอารัมมนะก็คือตัวอารมณ์นั่นเองแขกเรียกอารัมมะคนไทยเรียกอารมณ์ตัดไม่หากาดทิ้งเหมือนพระอานนท์อนะ่ะคนไทยเรียกพระอานนท์นะไปถามเกิดเราย้อนมีแทนแมชชีนย้อนเวลาไปวัดเชตวันไปถามหาพระอานนท์ไม่มีใครรู้จักเลยท่านชื่อพระอนันต์ไปหาพระอนันทอนันโทมี ถ้าพระนนท์ไม่มนะีตัวอารมณนุปนิชฌานนะเรื่องอารมณ์คนไทยเรียกอารมณ์เนะมื่อไหร่จิตเท่าแนบเพราะว่าตัวอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้เช่นเรารู้ลมหายใจจิตแนบไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมถละล้ดูท้องพองยุบจิตแนบเพราไปที่ท้องเป็นสมถละล้ขยับมือทําจังหวะอย่างเงี้ยจิตแนบเพราไปในมือเป็นสมถละล้คืออารมณนุปนิชฌานนะสมาธิชนิดหนึ่งจิตเด่นดวงอยู่เห็นสภาวะห่างออกไป อย่างที่หลวงพ่อขกศัพท์พวกเราจํานวนมากนะที่เราเริ่มเห็นแล้วกายกับจิตแยกออกจากกันได้รู้สึกไหมตัวนี้ใครทําได้แล้วใครทําใครดูเคยเห็นบ้างกายกับจิตแยกจากกันได้ยกมือหน่อยยกมือหน่อยขอเสียงหน่อยขอมือหน่อยไอย้ประเภทเนี้ยมันขี้แยเกินไปนะได้ก็คือได้สิกลัวอะไรวะเนีตอนเนี้ทําจนไม่รู้ว่าจํานวนเท่าไหร่แล้วนะที่แยกกายแยกจิตได้ โอ้ oh, ฟังแต่ CD ดนะีแล้วก็แยกกายแยกจิตกันเกลื่อนไปหมดแล้ไปที่ไหนตอนนี้เจอแต่คนแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกจิตได้ท้มเทไปเลยนะอาศัยที่เราเทศดูเดือดทุกวันทุกวันนะลงทุนลงแรงสอนไปว่าจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูนะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูกายมันแยกออกไปกายกับจิตเป็นโครานกันมีช่องว่างมากขั้นเลยเนี่ยถ้าจิตเราฝึกมาได้ขนาดนี้นะกายกับจิตแยกกันเวทนาคือความสุขทุกข์กับจิตแยกออกจากกัน สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหล ง, ล ง, ลงลกับจิตนี่คนละอันแยกออกจากกันนะถ้าฝึก อ, อย่างนี้ได้ถึงจะเดินปัญญาได้จิตจะตั้งมัน่นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอารมณูปนิชาน ส, สมถิแบบสมถะเนี่ยจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็น1 1ต่อหนึ่งนะลัคนูปนิชานจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจิตเป็นหนึ่งะอารมณ์เป็นแสนเลยอารมณ์ น, นี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกินดับตลอดเวลาไอ้ น, นี่เป็นแค่คนดูเฉ ย, ย, ย, ย, ย, ย ไม่ถลาลงไปดูนะมันจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะแล้วย้อนมาสังเกตตัวผู้รู้อีกอย่าไปประคองตัวผู้รู้ไว้ถ้าประคองตัวผู้รู้ไว้จะรู้สึกว่าตัวผู้รู้เที่ยงตัวนี้ผิดอีกละนะไปเพ่งตัวผู้รู้ไว้ผิดนะนะแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหานะเห็นาธาตุเห็นขันเห็นกายเห็นใจทํางานเคลื่อนไหวไปเป็นปรากฏการของรูปธรรมนามธทําเคลื่อนไหวตลอดเวลา จิตไปแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่แค่นี้พออย่าประคองตัวผู้รู้ไว้จนแข็งแข็งถ้าจ้องตัวนี้เป็นหลักเนะี่ยผิดนะถ้าถลำไปจ้องอารมณ์ก็ผิดนะประคองเพ่งตัวผู้รู้ไว้ก็ผิดนะผิดทั้งคู่เลยผิดทั้งคู่เลยเนี่ยกว่าจะสรุปออกมาได้ตรงนี้นะภานาตั้ง20่กว่าปีเนะี่ยแต่ก่อนนี่สงสัยให้หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตจิตมันเป็นคนดูมันอยู่ตรงนี้เราควรจะดูตัวนี้หรือเล้วพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุก ทุกมันอยู่แถวนี้แถวหน้าอกเนี่ยใช่ไหมความทุกข์มันผุดขึ้นมาจากตรงนี้กิเลสผุดกับแล้วดูตัวไหนแน่วะพระพุทธเจ้าสอนกับหลวงปู่ดุลสอนทําไมไม่เหมือนกันนะเราก็เชื่อว่าหลวงปู่ดุลถูกนะเราอะไรเข้าใจผิดสงสัยนะว่าจะดูตัวไหนมีสองตัวเนี่ยเอ๊เราจะดูตัวไหนนะขยับจะถามหลวงปู่ดูลนะเอาไว้ขอดูก่อนเอยขอดูก่อนขอดูก่อนขอดูก่อนหลวงปู่ดุลสิ้นไปก่อนไปเรียนต่อกับหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมหลวงปู่ทั้งหลายนะ ไปเรียนกับท่านนะขยับจะถามขยับจะถามเอาไว้ดูก่อนเอาไว้ดูก่อนไม่พูดมากอย่างพวกเราชอบถามนะถามแล้วถามอีกถามซ้ำถามซากนะไม่ถามง่ายๆนะเอาไว้ดูก่อนถามเมื่อจำเป็นจริงๆตัวเนี้ยสงสัยว่าจะดูผู้รู้หรือดูสิ่งที่ถูกรู้ดีสิ่งที่ถูกรู้มีแต่ทุกพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตทำไมขัดกัน อยากรู้ว่าทำไมขัดกันไปหาหนังสือชื่อแก่นทำคําสอนของหลวงปู่ดูลานนะเราจะรู้ว่าไม่ขัดกันหรอก <c oughs> ใครมีบ้างไม่ได้พิมพ์นานละใครยังไม่มีบ้างมีไหมไปยืมคนที่มีอ่าน <c oughs> เดี๋ยวเราว่าจะเขียนขยายความนะเอาให้มันเจ๋งกว่านั้นอีกเอาให้มันชัดชัดไปเลย <c oughs> ในความเป็นจริงนะพอพอนามาถึงจุดหนึ่งถึงไดแจ้งขึ้นมา ตัวนี้ตัวผู้รู้นี่ก็ตัวทุกขตัวความปรุงสิ่งที่ถูกรู้นี่ก็ตัวทุกขพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกน่ะรู้ถูกนะที่หลวงปู่ดุลบอกว่าดูจิตนะก็ถูกอีกเพราะอะไรจิตนั่นแหละเป็นโคตรของทุกเลยเป็นปรมาจารย์ของทุกเลยแกนกลางของความทุกขอยู่ที่จิตนี่ต่างหากล่ะเราะนั้นที่หลวงปู่ดุลบอกดูจิตดูจิตดูทุกนะดูทุกถ้าวันใดเห็นจิตเป็นทุกนั่นแหละวันนั้นแหะแจ้งแล จะสลัดคืนจิตให้โลกไปเรียกปฏินิสักะการสลัดคืนจะเกิดขึ้นทันทีจะเข้าใจเลยสังสารวัตรจะคว่ําลงต่อหน้าต่อตาตรงนาทีที่เราสลัดคืนจิตให้โลกได้นั่นแหละเราสลัดคืนจิตให้โลกได้เพราะมีจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งรู้จิตอย่างแจ่มแจ้งว่าหาสาระแก่นสารเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จิตผู้รู้นี่เป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้เลยมีแต่ตัวทุกข์ล้นล้นมันคือตัวทุกข์ล้นล้นเลยไม่มีอะไรเป็นทุกข์เหมือนจิตเลยนะ สิ่งอื่นที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นั้นทุกข์เล็กทุกข์น้อยทุกข์จิบจอยนะเดี๋ยวนี้นั่งรถผ่านมานะเห็นมีอะไรจิบจิอะไรๆนะโฆษณาขายรถยนต์เมี่ยนี่ปิดใต้มีจิบจกิเลสอื่นๆก็นั่นแหละเรื่องจิบจิบหมดเลยหรืออารมณ์อื่นๆนะจิบจิหมดเลยตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ตัวมหันต์ทุกข์เลยตัวมหันต์โทษเลยนะเนี่ยถ้าเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งรู้อนะไเนี่ยมันตัวทุกข์นะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้มันจะสลัดคืนตัวผู้รู้้ใหโลลกไปเย พอสลัดตัวนี้ทิ้งปั๊บนะทิ้งปั๊บลงไปไอ้ตัวนี้ก็ล่มไปด้วยนะตัวนี้คือวัตตะที่หมุนอยู่นี่นะวัตตะพอสลัดคืนจิตเท่านั้นวัตตะก็ถล่มลงต่อหน้าต่ตาไปเลยนะคราวนี้มันจะเหลือธรรมธาตุเกิดขึ้นเป็นธรรมธาตุล้วนๆเลยจิตที่มันทรงธรรมแท้ๆเนะีตัวนี้นะมีความสุขที่สุดเลยนะเอาเรียนเท่านี้พอนะวันนี้ไปทานข้าวกันก่อนเรียนมากแล้วก็จะเหนื่อยแต่เราเทศอย่างนี้เราไม่เหนื่อยนะ เทศธรรมะชั้นดีหน่อยค่อยไม่เหนื่อยมาถามวนะ่าหมูนี้ขี้เกียจภาวนาทำไงฝั่งเราเหนื่อยนิมนต์เลยครับ